ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายแต่รมประปฏิยากนกำลังนำเสนอถึงเรื่องที่ทรงคนลูกโซ่แห่งทุกข์ก่อนการจัดสรู้วันก่อนนั้นเป็นการพูดโดยในยะหนึ่งคือธรรมเทศนาที่นำมาเล่าแก่พระสงฆ์ให้ฟังในตอนหลังก็เรียกว่าอนุโลมมเทศนา คือเกิดขึ้นจากอัตรยาใส่ความปรุงเองก็จริงแต่ว่าก็ทรงดูคู่ฟังพอสามารถจะเข้าใจได้โดยปริยายใดก็จะทรงแสดงโดยปริยายนั้นข้อความที่เป็นเบื้องต้นคือนำมาประรบนั้นเป็นข้อความเหมือนกันเป็นลักษณะของการเล่าเรื่องอดีต เ, เรื่องที่ผ่านมาแล้วรับสั่งไว้ในหมาวักพิ สมยะสังยุติฐานนวักสังยุตตนากายนะครับหรเชนว่าพระไตรปิดกที่ที่เราพูดมาเนี่ยเล่มสิบแปดบางสิบเจ็ดบางสิบกมั่งก็ยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าในประไตรปดฎกเองก็ไม่ได้บ่งบอกว่าอะไรก่อนอะไรหลังกลิ่นเดียวว่าใช้เอวามีสุตตังเป็นหลักโดยสมัยนั้นครั้งนั้นโดยสมัยนั้น แ, แลในสมัยหนึ่งอะไรทํานๆเนี่ย เพียงแต่ต้องการให้เห็นว่าเป็นเรื่องที่ทรงคิดมาก่อนการสรุปมีลักษณะคล้ายๆก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าสนามตรงนี้เป็นปัญญาที่พิจารณาสวจสอบเทียบเคียงสอบทานยึดโยงกันไปเป็นแถวรับสั่งข้อความเหมือนเหมือนในตอนตอน้ตนๆที่ว่ามาแล้วนะ ภิกษุทั้งหลายครั้งก่อนแต่การสัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้สัสรูุยังเป็นพระโพธิสัตว์จู่ได้เกิดความรู้สึกอันนี้ขึ้นว่าสัตว์โลกนี้หนอถึงแล้วซึ่งความยากเข็ญย่อมเกิดย่อมแก่ย่อมตายย่อมจุติย่อมอุบัติเมื่อสัตว์โลกไม่รู้จักอุบายเครื่องออกไปพ้นจากทุกข์คือจรามรณะแล้วการออกจากทุกขคือจรามรณะนี้ จะปรากฏขึ้นได้อย่างไรก็เป็นการมองมองด้วยโครงสร้างเดิมแต่ลองสังเกตว่ามันขยายออกไปตอนก่อนเสด็จออกผนวดก็มองที่แก่เจ็บตายแล้วก็มองย้อนไปจากแก่เจ็บตายก็ไปหาเกิดแล้วก็หาทางออกโดยรูปแบบของการออกบวชเป็นสมณะ แต่พะทรงพิจารณานั้นในบางตอนก็ทรงยกชะลาม่อนาคขึในตรงนี้พูดในแง่ของสังสาระเลยคือหมายความว่าปปรัพท์ใชีวิตเนี่ยเราจะลืมว่าความเชื่อเรื่องสังสารวัตรเรื่องกรรมเรื่องสังสารวัรมันมีมาก่อนสมัยพุทธกาลเพียงแต่ว่าเขาคิดในแง่มุมใดนั่นเป็นีกเรื่องหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพวกศสัสตาติจิตที่เธอเห็นว่าเที่ยงเนี่ยมันก็ออกมาสองแนวคือบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงแต่ว่าจิตเนี่ยมันมั น, ม, นมันจะวนวนเพราะฉะนั้นไอ้โครงสร้างความคิดตรงนี้เมื่อนำมาคิดก็เห็นว่าชีวิตมันเกิดเกิดแล้วแก่แก่แล้วตายตายแล้วตา ย, ตา ย, ต, ายตายแล้วจุติ ก็คือตายแล้วก็อุบัติคือเกิดมันก็หมุนวนกันอยู่อย่างเนี้ยเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายในแต่ละชาติเนี่ยมันก็เกิดแก่เจ็บตายเพราะงั้นเกิดแก่เจ็บตายาไม่ใช่เกิดแก่ตายเนี่ยคือเจ็บเนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็นทุกจรเป็นปกินนัก็ทุกคือทุกจรแต่ว่าเกิดแก่ตายเนี่ยเป็นสภาวะทุกข์ซึ่งทั่วไปแก่สิ่งทั้งหลาย ว่าภูเขาต้นไม้บ้านเรือนรถอะไรตะไระแหงต่าเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปโดยทั่วไปถ้าหากว่าไม่มีชีวิตเนี่ยจะใช้คำว่าอุปาดติติพังคะคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปแต่ถ้ามีชีวิตก็ใช้คำว่าเกิดแก่ตายซึ่งบางทีในพูดขึ้นพูดเป็นขณะอุปาณขณะพังคะขณ ะ, ข ะ, ขณะทิติขณะ อุ ป, ปดาดขณะคือขณะเกิดติติขณะคือขณะดำรงอยู่แล้วพังคะขณะขณะที่แตกดับทียิบนะฮะดูดที่จริงก็ดูไม่ทันเรกเราลองดูกระแสไฟนี่ก็ถือว่าเร็วอนะแต่จริงๆแล้วจิตมันเร็วกันเยอะกระแสไฟเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เรียกว่ามีอุปาดัคขณะทิติขณะพังคะขณะปะปะ ป, ป, ป, ป, ปทียิบแต่ถามว่ากับจิตอะไรเร็วกว่าโอ้จิตเร็วเทียบกันไม่ได้เลย แต่เราไม่ต้องดูจิตอะดูไฟเราก็ดูไม่ทันแล้วนั่นคือแสดงถึงความเร็วของการเกิดขึ้นการตั้งอยู่และการดับไปทีนี้เมื่อสัตว์เนี่ยเกิดหมุนวนอย่างเงี้ยว่าเกิดแก่ตายเกิดแก่ตายเกิดแก่ตา ย, กตายภกษาตรงนี้เราจะเห็นว่าตายใช้คำว่าจุติด้วยแล้วก็ใช้คำวามามรณะด้วยอุบัติเนี่ยคือใช้คำว่าเกิดด้วยใช้คำว่าอุบัติด้วย ก็ความหมายอย่างเดียวกันเพราะอุบัตในที่นี้ก็หมายถึงการไปเกิดในกำเนิดต่างๆเพราะว่าบางครั้งบางคราวมันไม่ได้เกิดในคันเช่นพวกโอปปาติกะเนี่ยเขาไม่ได้เกิดในคันแต่เขาก็อุบัตอุบัตเป็นเทศอุบัตเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นพุ่มเป็นสัตว์นรกกแแ็แล้วแต่แล้วในสุดเมื่อสัตว์ถูกหมุนบนอยู่ในสังสารทูกอย่างนี้ ก็ไม่รู้จักอุบายเป็นเครื่องออกพ้นไปจากทุกข์คือชรามรณะเอหงหฮะทรงเน้นปฏิฉราหมรณะเพราะว่าในกลงล้อของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจากปลายสุดเนี่ยเป็นการพูดถึงฉราหมรณะแต่ที่จริงไม่สุดอ่โสเกหิปเทเวหิดูเกหิดูปนสเซหิอุปายาเซหิเกอุปายาตไปถึงอุปายาตเราพูดถึง เรื่องถูกแปดข้อด้วยกันแต่ว่ามันก็อยู่ในคนคนเดียวกันนั่นแหละก็การออกจากทุกข์คือมรณะนี้ก็จะปรากฏได้ยังไงวเ่เกิดแก่ตายเกิดแก่ตายเกิดแก่ตายในที่สุดก็รับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายความสงนได้เกิดขึ้นแกเราว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอมรณะ จะรามรณะจึงมีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยหนอจึงมีมรณะดังนี้แล้วจากนั้นก็จะโยงกลับไปหาชาติกลางๆไว้ในวันก่อนเพียงแต่ว่าเครื่องมือที่ใช้เนี่ยมันเป็นเครื่องมือเดียวกันซึ่งในความสมบูรณ์เนี่ยทรงเรียกว่าจากักรยานปัญญาวิชาแสงสวา่างแต่ว่าในที่นี้ก็ทรงใช้ความว่า ได้เกิดความรู้ด้วยปัญญาเพราะการทำไว้ในใจโดยอุบายวิธีที่แยบคายเพราะพระชาตินั่นแหละมีอยู่ชรามณะจึงมีเพราะมีชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามณะาอย่างนี้แล้วในที่สุดมันก็ทยอยไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะฮะแต่ลองสังเกตว่าสิ่งที่ยกขึ้นมาประรกมันต่างกัน ในที่นี้เป็นการเน้นถึงความทุกข์ซึ่งสัตว์ทั้งหลายสภาวปทุกข์ซึ่งสัตว์ทั้งหลายกับมังเผเชิญอยู่คือเกิดแก่ตายแล้วก็จุติแล้วก็อุบัติเกิดแก่ตายซึ่งปรากฏเกิดในในในในชาตินี้นะฮะแก่ตายในชาตินี้จุติก็ไปในชาติหน้าแล้วก็เอ่อจุติก็จากชาติเนี้ยแต่ว่าไปอุบัติในชาติหน้าพป อ, อุบัติแล้วก็คือเกิดก็แก่ตายต่อ และในสุดก็มองเห็นว่าชาติเยมันมาจากภพภพก็คือสังขารและภพด้วยนะฮะหมายถึงบุญถึงบาปถึงอนินชาด้วยแล้วก็หมายถึงภพอันเป็นที่อยู่ของสัตว์ด้วยแต่ในที่นี้ในช่วงแรกเนี่ยพูดถึงภพที่เป็นบุญเป็นบาปเป็นอนินชาแต่ว่าอนินชาคือพวกอรูปฌานคนก็มีน้อยนะส่วนใหญ่มันก็เป็น ระดับระดับทั่วไปทีนี้ถามว่าไอ้ภพเนี่ยมันมาเพราะอะไรบอกเพราะอุปาทานนั่นแหละไม่อยู่ภพจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพทางนี้อุปาทานก็คือการยึดอาการยึดติดทั้งหลายเนี่ยมันนําไปสู่ทุกในทุกรูปแบบนะทุกในขณะนั้นนั้นทุกในสังสารวัฏทุกในเรื่องปรากินกากะ คือบางครั้งบางคราวเนี่ยถ้าเราเฉยๆสักบ้างมันก็ไม่ถูกอะไรหรอกเดี๋ยวเอาเรื่องเอาราวตัดปัญหาสับ้างคือไม่ไปยึดติดมันมันก็ไม่มีอะไรอ่ะคือบางทีเนี่ยมันเหมือนกับเราไปจับไฟแล้วเราบ่นว่าร้อนร้อนร้อ้องวอยวายก็ทิ้งแั่เทีมีคนบางคนเนี่ย เรารู้จักเขามานานแล้วเจอเมื่อไรเขาก็ถามปัญหาซ้ํ า, าอย่างนี้ยี่สิบปีสามสิบปีถามอย่างน้เนี่ยโอ้ยมันน่าสงสารจริงจริงเลยแล้วก็ถามก็ซ้ําๆเหมือนก็ไม่เหมือนก็ได้เดียงสา ม, ออกมากๆก็ไม่รู้จะว่ายัางไงก็มองด้วยความสงสารดัานนัเด็ที น, นี้ก็ถามว่าอุปทานมันมาจากไหนล่ะ อก็พูดถึงอุปาทานนะฮะเราจะเห็นว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องเยอะถ้าเราสังเกตดูข่าวคราวต่ า, างๆอย่าไปตื่นเต้นกับข่าวคราวอ้มากนะข่าวไม่มีอะไรอะ่ะมันพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งหลายเราเฉยๆซะบ้างแต่เราก็จะไม่เดือดร้อนอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือแนวของการมุ 2, ่าปานาต้องการให้เป็นอย่า ง, งานั้นเป็นอย่าง น, นี้เป็นอย่างโน้น ต, fist, ต้องการได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือต้องการให้คนอื่นเป็นอย่างที่เราอยากจะให้เป็นมันเป็นการความคิดที่สร้างปัญหาแก่ตัวเองอย่างที่เคยยกตัวอย่างเรื่องเปร ины, ตจัดคนนอนบนสล า, านะือผลสุดท้ายมันมันสร้างปัญหาแก่ตัวเองและสร้างปัญหาแก่คน คือทั้งเปรตทั้งคนเลยไม่ต้องหลับกันพอเปรตก็คิดจะดึงหัวเสมอพรหัวเสมอเท้าไม่เสมอก็คิดดึงเท้าให้เสมอหัวไม่เสมอก็ดึงไปดึงมาคนนอนก็ไม่ต้องนอนเปรตก็ไม่ต้องนอนเพราะงั้นท่านจึงกล่าวไว้ในหนังสือชื่อทานธรรมศาสนสุปนจัมกล่าวเป็นข้อความสั้นๆแต่น่าคิด พอสุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสยใจไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจถามใจตัวเองเธอว่าเราอยากได้ความสุขหรืออยากได้ความทุกข์กันแน่ปล่อยวางเสียบ้างคือยังไงเราก็ต้องวางอยู่แล้วก็ต้องปล่อยอยู่แล้วทำไมจะต้องไปยึดไปติดวันก่อนเนี่ยประรบประรบถึงสภาวะของจิตอะ คุยกับพระก็พูดถึงว่าผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยมันท่านช็อกเอาเป็นอาการซึมเศร้าพอมีกา ร, กรเกษียนตอ น, น, นอายุแปดสิบคนแปดสิบนะยังไม่ยอมกระเสียณ น, นะบางคนเนี่ยแล้วก็พระที่ยืนคุยอยู่ด้วยท่านก็บอกว่าไปเจอมันด้วยตัวเองเลยพอรู้ว่าถูกเกษียณเนี่ร้องจ้ากเลยนะฮะตอนหน้าก่นแล้วไม่กี่ปีไม่กี่เดือนก็ตาย เป็นเรื่องที่น่าสลดเพราะทาไมอุปาทานเอามากมายขนาดนั้นก็ไม่รู้ไปยึดติดอะไรเราทํางานให้อะไรให้เขาไม่ได้แล้วแรงเราก็ไม่มีนะคนอื่นช่วยประคองให้อยู่แล้วคนอื่นช่วยเรานั่งรถเข็นอยู่แล้วเราจะเป็นไปทําไมเป็นก็คือไม่ได้เป็นนะฮะตายก็คือเป็นเห็นไหมตายก็เกิดอีกตายก็คือเป็นเป็นละเป็นก็คือตายเพราะประเดี๋ยวไม่เท่าไหร่เราก็ตาย เพราะมันไม่มีอะไรจะน่ายึดเลยเกิดเกิดก็คือตายตายตายก็คือเกิดเพราะว่าตายจริงๆมันเป็นสมมติเอาเขาเสมมติบรรณะสมมติว่ามันตายแล้วก็ตายให้ดูกันเรื่อยน่ะผมตายเล็บตายหนังตายผิวตายก็ตายกันเยอะก็ตายกันอยู่ตลอดแต่ว่าเพราะขาดการนำไปคิดไปพินิพิจารณา คิดว่าตัวเองจะอยู่คาฟ้าหรื อ, อยังไงก็ไม่รู้คือถ้าเกิดไอสาวบ้านเนี่ยประดมเหนาเราไม่ค่อยสลดเท่าไหร่แต่ถ้าพระยังไปยึดติดอยู่อย่างนี้แล้วมันฟอร์อยังไงชอบกลนว่าท่านไม่ได้ใช้พินิษพิจารณาถึงใจรักบ้างหรืออยู่กันมาตั้งนานแล้วทำไมไม่คิดบ้างเป็นเรื่องที่แปลก บางทีเราก็ไปเจอญาติโยมบางคนเราก็เออนับถือนับถือคือสามารถที่จะคิดอย่างนี้ได้ถ้าก็เตือนไว้เป็นคติสั้นๆ่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใส่ใจไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจให้ถามใจตัวเองว่าเราอยากได้ความสุขหรืออยากได้ความทุกข์ตรงนี้เราจะเห็นว่าอุปาทานเนี่ยนำไปสู่ทุกข์ ยึดว่าเขาด่าเราเขาประหารเราเขาเละตาเราเขาอะไรเยอะเยอยเราก็ช่างเขาไปเราก็อยากทำอะไรก็ทำไปเราไม่รับก็จบแล้วอย่าไปรับอย่าไปปรุงคิดอย่าไปคิดปรุงอย่าไปคิดว่าเขาด่าเราพวกนี้เป็นพวกที่หนีไม่พ้น นินทาสันเสรนินดาประสังษาจะสุขขังจะดุก ข, ขังเอเตนิจามราเชือธรรมามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์น่ะนินทาสันเสรสุขทุกเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงแท้นแน่นอนเนเกิอดอยู่ในหมู่มนุษย์วันถามาอุปาทานมาจากอะไรก็มาจากตัณหาตนามาจากอะไรมาจากเวทน า, า, าเวทนามาจากอะไรมาจากปัจจะเหมือนเดิมนะ ภาษามาจากอะไรก็มาจากอายจตนะสลายตนะสลายตนะมาจากอะไรมาจากนามรูปนามรูปมาจากอะไรมาจากสังขารสังขารมาจากอะไรมาจากอวิชชาแล้วพอถึงตอนสุดท้ายเนี่ยฮก็ส่งสรุปว่าพิสูจน์ทั้งหลายความรู้ยิ่ง ด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยใบแยบคา ย, ายได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะนามารูปนั้นแหลมีอยู่วิญญาณจึงมีได้เพราะมีนามารูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณดังนี้พิสูจทั้งหลายความรู้แจ้งนี้ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ว, ว่าวิญญาณ น, นี้ย่อมเวียนกลับจากนามารูปย่อมไม่เลยไปอื่นด้วยเหตุเพียงเท่านี้สัตว์โลกนี้พึงเกิดบ้างพึงแก่บ้างพึงตายบ้างพึงจุตติบ้างพึงอุบัติบ้างข้อนี้ ได้แก่การที่เพราะมีนามารูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามารูปเพราะมีนามารูปเป็นปัจจัยจึงมีลาษฎรยานะเพราะมีราษนะเป็นปัจจัยจึงมีพัรษะเพราะมีพัรษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัย เพรมีชาติเป็นปัจจัยชรามนาัสโกกาเปเทวทุกขโทมนัสอุปายาทัางหลายก็จึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้การพิจารณาในช่วงนี้น่าสังเกตนะว่าถ้าเราเทียบในพระสูตรก่อนดูแล้วตรงนี้น่าจะคิดก่อนเพราะว่ า, ปาเป็นการเป็นการมองเห็นว่าวิญญาณเนะี่ยย่อมเวียนกลับจากนามรู้ แล้วก็ย่อมไม่เลยไปที่อื่นวิญญาณมันก็ไปปฏิสนธิในนามารูปอยเรื่อยนะอาศัยนามารูปอเรื่อยไม่ไม่เลยไปถ้าเลยไปมันก็ไม่มีที่ตั้งแห่งวิญญาณนะสมมติไปเหตุปัจจัยให้เกิดวิญญาณมันดับอย่างที่ท่านเล่าถึงพระเถระรูปหนึ่งที่จริงมีประมาณสามสี่รูปนะครตที่มีอาการอย่างนี้คือว่าวิบากกรรมก็ตามมาทัน บารมีก็ตามมาท่านตามให้ท่านค่าตัวตายแต่ว่าบารรลุมกผลด้วยนะบรรลุมกผลเป็นพระาหาันไปก็าหนึ่งมาน ก, ก็ไปเทยแสวงหาปริสนทธิวิญญาณของพระโคจิกะหาไม่เจอแล้วก็จะ ท, ทำตัวเป็นลมบ้างเป็นควันบ้างเป็นเมฆบ้างเลื่อนไหวปั๊บๆอยู่ข้างบน ผู้เจ้าก็ทรงเชีย่ยพุทธสดูบอกว่าดูที่พิกษุูนิมานกัมมังสแสวงหาปฏิสนธิวิณ ญ, ญาณของโคติกะอยู่นะไว้พบหรอกเพราะโคติกะไม่มีปฏิสนธิบิญญาณเพราะอะไรเพราะว่าท่านดับอวิชชาพอดับอวิชชาบาปบุญต่างๆที่เปรเนตนำไปสู่พบก็ดับวิญญาณถึงไม่มี แต่ว่าตราบใดที่เหตุปัจจัยเนี่ยวิญญาณมันก็มีก็หมุนกันอยู่อย่างนี้ก็กลับไปสู่นามรูปอย่าบ้างกลางบ้างละเอียดบ้างนะฮะเครียดพบน้อยพบใหญ่เทวมนุษย์เสสุสังสารโตท่องเที่ยวอยู่ในหมู่เทวดาบ้างมนุษย์บ้างสัตว์นรกบ้างะอะไรต่างๆก็ท่องเที่ยวกันดกไปนี่ก็เป็นการแสดงในสายเกิดทีนี้ในขณะเดียวกันก็สูงมองในสายดบ สายดับนั้นเป็นการเริ่มต้นมาจากชาตินั่นเองเหมือนเหมือนเดิมนะฮะสาวแต่ว่าเริ่มดับที่ชาติดับที่ชาติก็ดับไปเรื่อยไปก็มาจบที่วิญญาณเหมือนกันแล้วก็รับสั่งว่าพิสูจน์ทางหลายความรู้แจ้งนี้ได้เกิดขึ้นแกเราว่าค้นทางเพื่อการจัตรูนี้อันเราได้ถึงแล้ว ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือเพราะความดับแผงนามารูปจึงมีความดับแผงวินญาณเพราะมีความดับแผงวิญญาณจึงมีความดับแผงนามารูปออะไรก่อนก็ได้นะอะไรก่อนก็ได้นามารูปดับว hm ิญญาณดับวิญญาณดับนามารูปดับก็สลับไปสลับมาเพราะมีความดับแผงนามารูปจึงมีความดับแผงสลายจตนะเพราะมีความดับแห่งสลายจตนะจึงมีความดับแผงปัจจ um, ัก็ว่าไปเรื่อยฮะเพราะปัจจัดับเบสนาดับเวทนาดับตันหาดับตันหาดับ อุปท า, านก็ดับอุปท า, านก็ดับพบก็ดับพบก็ดับชาติก็ดับเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหละไม่มีชาติไม่มีตัวตนให้เกิดความทุกข์ความโศกความร่าไรรําพันความทุกข์ความเสียใจความคับแค้นใจอะไรทั้งหมดจึงดับบันดาลกังวลทุกข์ทางมวลก็เกิดขึ้นด้วยการอย่างนี้แล้วก็จากนั้นก็ทรงแสดงเหมือนเดิมในธรรมจักรนั่นแหะ แล้วทำมาจากจักกุงอุดาปดิยานางอุดาปดิปันดาวาับปดิวิชาอับปดิโลกดัปดิจักขุยานจักขุได้เกิดขึ้นแล้วยานได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิชาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสดับมาในการก่อนว่าความดับไม่เหลือคือนิโรธดังนี้นี้ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวก็เกิดขึ้นโดยการอย่างนี้ วันนโรดท่านจึงแปลว่าปรจาจะจากสิ่งเสียดแทงหรือมีสิ่งเสียดแทงที่ออกแล้วเป็นจำนวนบาลีนิดหน่อยก็มันมาจากอาวิชาแต่ลองสังเกตว่าตรงนี้ไปสาวไปแค่แค่อะไรล่ะแค่สังขารสาวไปแค่สังขารไม่สาวไปถึงอวิชาหมายความว่า เราเทียบเคียงถึงความรู้ของพระโพธิสัตว์ระหว่างประสูตรก่อนกับประสูตรนี้ในสมัยนั้นยังไม่เป็นพระพุทธเจ้านะแสดงว่าความรู้ประสูตรก่อนเนี่ยเข้าไปลึกอีกจังหวะหนึ่งคือเข้าไปเจอตัววิ ช, ชาตอนนี้ก็ยังไม่ถึงตัววิ ช, ชาแต่ว่าในการนํามาเล่านํามาแสดงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผู้ฟังก็เรียกว่าปริยายเทศนาคือเป็นการแสดงโดยนิยัหนึ่งนยัหนึ่ง เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอนุโลมเทศนาคือดูคนแล้วดูธรรมดูธรรมแล้วดูคนแล้วก็แสดงทรรมให้เหมาะสมกับคนที่ฟังในขณะนั้นๆันน้ข้อความตัวนี้ที่จริงค่อนข้างยากแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าทำความเข้าใจก็ศึกษาไว้นะะแล้วก็อีกนานก็จะเจออีกทีหนึ่งเจอทีหนึ่งก็คือเจอในตอนที่จัดสรุป ตอนสัสรูก้กระบวนการปัจญาการจะเต็มรูปทั้งสายเกิดและสายดับอาจจะเริ่มจากชรามารณะแล้วก็ดับจบที่อวิชชาเริ่มที่อวิชชาแล้วก็ดับจบที่ชรามารณะนั้นก็แสดงว่าจะขูยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นสมบูรณ์แล้วก็มองสรลุมองผ่านเข้าไปถึงเนื้อหาที่แท้จริงของสังสารวัตรว่ามันมาจากอวิชชานี่เอง ถ้าหลับวิชาได้สังสารวัตรมันก็หยุดหมุนแล้วองล้อของสังสารวัตก็หยุดหมุนแล้วเป็นกา ร, สรแสดงถึงพัฒนาการทางพระไถ่ของพระโพธิสัตว์ว่าสูงส่งมากๆนะฮะขนาดระดับนี้ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรเนี่ยแม้แต่เราก็จะขอสัมผัสปฏิบัติเพื่อสัมผัสระดับใกล้ๆเคียงกันเนี่ยก็ยากแล้ว แต่ว่ามีคนต้องผัดได้แล้วคนก็เป็นพยาในการศัสรู้ของพระองค์เป็นการยืนยันเรืองความจริงของสภาวะจิตที่มันเป็นเช่นนี้ว่ามีอยู่ได้จริงๆสายเกิดนั้นแน่นอนเราสัมผัสได้อยู่แล้วแต่สายดับอย่างสิ้นเชิงเนี่ยมันก็มีได้จริงๆเพียงแต่ว่าต้องดับปวิชาให้ได้เท่านั้นท่านฟังกันหลายใต้รมพระโพธิญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้โดยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, ง้อกรามเป็นบุญในธรรม